ทิเกอร์ลน์เนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เรามาเห็นแล้วสะดุดใจก็คือเอาที่สบายใจคเนี้เราอ่านดูแล้วสะดุดใจจริงเลยแล้วก็จะนำม า, มาพูดเป็นประเด็นธรรมะของวันนี้คาว่าเอาที่สบายใจนีนน่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเราใช้เป็นเนี่ยสามารถทำให้เราแก้ไขปัญหาได้ทุกระดับเลยเมื่อไม่มกี่วันก่อนได้ดูวีโอคลิปอยู่คลิปหนึ่งมีผู้หญิงสามคน ไปเที่ยวป่าเม็กซิโกผู้หญิงฝรั่งขณะที่ไปเที่ยวชมวิวทูทัศเนี่ยก็มีแขกที่ทำให้ทุกคนต้องช็อกโดยคาดไปถึงก็คือมีหมีตัวหนึ่งมีตัวนี้เวลายืนเนี่ยสูงกว่าผู้หญิงทั้งสามคนนะเจอกันแบบเฉพาะหน้าเลยกูุหญสา3คนนี้กลัวมากไม่รู้ทาไงดีก็เลยยืนเฉยยืนเป็นหุ่นเลยหมีนี่ค่อยๆมาดมตัวผู้หญิงมาจับนุ่นจับนี่ แตะไหลมั่งมีอยู่สองคนเลยยืนเป็นหุ่นเลยแหละไม่ขยับอีกคนนึงก็ฟักมือถือมามาเซลฟี่กับหมีหมีก็ยืนอยู่ข้างหลังไอก้กลัวกลัว อ, อยากถ่ายรูปก็ถ่ายรูปก็เลยได้รูปสวยเลยเพราะหมีตัวีไม่ใช่หมีดุแต่มีสัตว์มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นแต่ถ้าหญิงสาวแล้วสามคนเนี่ยเกิดกลัวแล้วหนีขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นอันตรายทันทีเลยเพราะสัญชาตญาณของสัตว์เนี่ย มันจะมีความระแวงภัยไงถ้าเป็นมิตรมันก็มาเลียมาเล่นด้วยเห็นว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนะมันก็ไม่ทําร้ายหรอกแต่ถ้าเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นอันตรายมันก็ชิงเท่าร้ายก่อนก็จะเป็นอันตราย ก, กับหญิงสาวสามคนนั้นอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ว่าปล่อยให้หมีเอาที่มันสบายใจอยากจับก็จับไปอยากดมก็ดมไปอยากมาถ่ายเซลฟี่ด้วยก็เอาเอาไปอันนี้เลยรอดเพราะปล่อย ห, หมีสบายใจ อันมาขอพูดหลวงพ่อไพศาลหรือพระอาจารย์ไพศาลหน่อยก็ได้เพราะว่าท่านก็นั่งฟังอยู่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนในวัดคงไม่เคยรู้แต่เป็นเรื่องที่ในมุมของอัมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าไว้ท่านฟังอาจจะชอบก็ได้เมื่อปีหกหนึ่งเนี่ยอันมาได้มีโอกาสไปอินเดียกับพระอาจารย์ไพศาลนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเราไปเมืองพาร า, าสีหลังจากนั่งเรือเสร็จแล้วเนี่ย ก็ขึ้นฝั่งมาบนโบกอะทางคณะทัวร์เนี่ยก็ตกลงจ้างสามล้อไว้แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจ้างราคาเท่าไหร่สามล้อดี่บริการดีมากเป็นแขกเป็นผู้สูงอายุแล้วคนแก่แล้วหัวเห่อขาวหมดแล้วคงจะรับแขกบ่อยอะรู้งานให้อาจารย์ท่านนั่งแล้วก็อตมาก็นั่งด้วยแหละอันแขกก็รู้งานนะให้ถ่ายรูปได้อะไรไ ด, ได้ยิ้ม แอคชั่นต่างๆเก็กท่าต่างเป็นหมดเลยวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยขนาดสามล้อป่านไปเนี่ยอัลบาเขาดูเอะเราลงมาถ่ายรูปอาจารย์ดีกว่าเพราะว่ารูปแบบนี้มันหายากอาจารย์นั่งสามล้อเราก็ถ่ายรูปไปคนขี่สามล้อเขแอคชั่นตลอดอ่ะเก็กท่ายกสองนิ้วบ้างอะไรบ้างจนถึงที่หมายจุดที่รถทัวจอดอยู่อ่ะมันก็ไม่ได้ไกลบ้างหรอกก็พอระยะพอสมควรถ้าไปถึงเนี่ย ตอนแรกก็แขกก็อารมณ์ดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสพอไปถึงเนี่ยเขาทัวร์เงินค่าสามล้อมันจะเอาสองร้อยบาทอาจารย์ท่านไม่ให้ท่านบอกว่าแพงไปสามสองร้อยเนี่ยมันไม่อยู่ในเงืนะ่อนไขไงไม่รู้ว่าตกลงกับคณะทัวร์เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่คงไม่น่าถึงสองร้อยหรอกเพราะดูไม่ไกลมากไงแขกก็ด่าอาจารย์เลยด่าตบตาด้วยทั้งสองคนโดนแขกด่าบงเบงบงเบ ง, บ ง, บงเราฟังภาษาแขกไม่รู้ว่าด่าอะไรอะ จากเมื่อกี้ตอนแรกอารมณ์ดีบริการดีตอนนี้มาด่าแล้วพระเจ้าเป็ปศาสตรเป็นอาจารย์ที่ไปแสดงธรรมที่อื่นนะไม่ใช่ที่วัดนะบางที่มีคนฟังเป็นพันคนนะอันมาเคยไปอยู่เหตุการณ์นั้นนหะคนเขาก็คืออาจารย์ขับปรับตัวได้หลายระดับเลยตั้งแต่ไฮโซจนถึงโลโซจนติดดินอะไรเงี้ยทําได้หมดอะ่ะคือใครจะคาดถึงว่าอาจารย์จะโดนด่า ทางถนนนะ่ยแขกบัรด่าทางถนนเะน่ยมันไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นใครเลยรู้ว่าขัดผลประโยชน์อนะ่ะไม่จ่ายจ่ายตังคนะ่าสนะามล้ออ่ะอยากให้ได้สอง้อยบาทอันมาก็รำคาญนะอยากก็ฟักตังใจ่ายให้อาจารย์ก็ไม่ยอมอาจารย์ไม่ยอมท่าเดียวจนนูนะ่นอ่ะมันก็ด่าจนเหนื่อยนะจนคณะทัวร์มาถึงเนะี่ยเขาก็มาจัดการให้ใจ่ายตังค์ให้มันงั้นไม่ยอมนะแขกไม่ยอมไปนะไม่จ่ายสองร้อยนะไม่เลิกอนะ่ะอันนี้ก็เอาให้แขกสบายใจ สุดและอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงได้นะจะตอนแรกน่ะมีควาสุดได้ผลประโยชน์พอขาดผลประโยชน์ต้องด่าแล้วพอได้เงินก็อารมณ์ดีเหมือนเดิมอันนี้เป็นเรื่องของแขกอันนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าหลวงพ่อไบสายเคยโดนแขกด่ามาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยบางที่ก็เจอเจอเต็มๆ เ, เลยก็จะเป็นน้าท่วมสะพานขาด หรือบางทีบางวัดอยู่บนภูเขาน้ําก็เซะอซ้อดินน่ะมีวัดที่อานมารู้จักก็โดนน้ํำซ้อจนแบบเสียหายยับเยินเลยเละเทะทํำให้นึกถึงนิทานอยู่เรื่องหนึ่งนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานฝรั่งนะนํามาเล่าให้เข้ากับเหตุการณ์วิชายคนหนึ่งชายคนนี้เป็นคนที่เก่งศาสนามาก ศสนาคิดจะสวดนมนต์อ้อนวอนพระเจ้าสวดนมนต์วันหลายรอบเลยแล้วเป็นคนดีด้วยถ้าเป็นไทยก็เป็นคนธรรมะธรมโมแหละอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแหละอยู่วันหนึ่งฝนได้ตกหนักมากทำให้เมืองที่แกอยู่เนี่ยน้ำท่วมน้ำแบบไหลเข้าเมืองจนจะเป็นอันตรายทางรัฐบาล ก็ประกาศให้คนในเมืองอพยพไปก่อนเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านนี่แหละเพื่อนบ้านของชายคนนี้ขณะที่จะย้ายย้ายไปออกสถานที่เนี้ยก็มาชวนชายคนนี้ไปบอกเร็ว ๆ, ๆรีบรีบเดี๋ยวไม่ทันน้ําจะท่วมเมืองแล้วชายคนนี้บอกขอบคุณคุณเปน็นห่วงผมเดี๋ยวพระเจ้าเนี่ยจะจัดการให้ผมเองคุณรีบไปเถอะ เมื่อว่าชายคนนี้จะพูดยังไงชายหนุ่มนี้ก็ไม่ยอมไปยืนการว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะมาช่วยกับตัวเองคนขับรถก็เอาที่สบายใจก็แล้วกันจากไปผ่านไประยะหนึ่งน้ำก็ท่วมถึงท่วมถึงกลางบ้านแล้วชายคนนี้ก็หนีน้ำมาอยู่ชั้นสองขณะนั้นทางรัฐบาลก็ส่งเรือมาบรรับคนที่ติดค้างอยู่อ่ะในเมืองนี้เรือก็บรรับชายคนนี้ ชายที้เขขอบคุณแล้วบอกมัต้องห่วงผมเดี๋ยวพระเจ้าเลยจะมาจัดการช่วยเหลือผมด้วยตัวท่านเองคนขับเรือพูดยังไงพูดยังไงก็ไม่สาเร็จก็เลยปล่อยแล้วก็บอกเอาที่สบายใจแล้วก็ขับเรือจากไปแล้วคืนนั้นน้า ก, ก็ท่วมหนักอีกแล้วน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆจนชายคนนี้ต้องมาอยู่บนหลังคาแล้วอยู่ทั้งสองไม่ได้รัฐบาล ก็ส่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาคอยรับเก็บตกพวกที่อยู่บนหลังคาแหละโดยการหย่อนบันไดเพื่อให้จับแล้วไต่ขึ้นเครื่องบินเพราะไม่มีที่จอดตะโกนเสียงดังลั่นเนะ่ะให้รีบขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวไม่ทันชายคนนี้ก็ไม่ยอมไปบอกพวกคุณไม่รับห่วงผมเดี๋ยวพระเจ้าจะมารับมาช่วยเหลือผมกับตัวท่านเองจนทางฝ่ายฮคอปเตอร์เนะ่ไม่สามารถช่วยได้ก็บอก งั้นเอาที่สบายใจก็แล้วกันผลปรากฏว่าชายคนนี้ได้ตายสมใจเพราะน้ําท่วมจมน้ําตายหลังจากตายแล้วด้วยการที่เป็นคนดีวิญญาณก็เลยล่องลอยแล้วไปเจอพระเจ้าคัดเจอพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ทักขึ้นมาโอ้เจ้านี่ไม่น่าเลยยังหนุ่มอยู่แท้ไม่น่ารีบด่วนตายชายดุ่มก็เอ่ยจัด พ, พรบ่เจ้าว่า ที่ผมเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะพรอองค์เนี่ยไม่ยอมมาช่วยเหลือพระเจ้ายึ่งเยคิดว่าเจ้าห่ะมันโง่เองข้าส่งทั้งรถทั้งเรือทั้งเครื่องบีนไปไปรับเจ้าสามรอบเลยเจ้าจึงว่าข้าไม่ช่วยได้ไงเรื่องนี้ก็จบชายคนนี้เขาเข้าใจครับพระเจ้าผิดไงคิดพระเจ้าต้องมารับกับตัวเองที่จริงพระเจ้าก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างแหละ ทุกคนก็สามารถช่วยเหลือกันได้อันนี้เข้าใจผิดนะก็เลย ต, ต้องตายก่อนวันควรไม่เรื่องขำๆเละแต่ก็มีสาระอยู่นะเรื่องต่อไปชายหนุ่มคนหนึง่งได้เดินทางเข้าเฝ้าพระราชาโดยมีโดยนำของเพื่อจะไปถวายใครมาถึงในวังเนี่ยก็เจอในดานหรือฐานยามชั้นนอก ก็ขอดูว่าจะเอาอะไรไปให้พระราชาหลังจากเห็นสินของแล้วเนี่ยนายด่านก็คิดว่าชายคนนี้จะต้องได้รับรางวาัลมากมายเลยจากพระราชาแน่นอนด้วยความโลภจึงเอ่ยกับชายหนุ่มว่าถ้าข้าพาเจ้าไปหาพระราชาเนี่ยเจ้าต้องแบ่งรางวัลให้ข้านะครึ่งหนึ่งไม่งั้นข้าไม่พาไป ชายหนุม่มรู้ทําไงจำใจรับปากนายด่านก็ยิงการนะต้องรักษาคำพูดนะต้องแบกค่าครึ่งหนึ่งรางวานนะัลแล้วก็พาเข้าไปวางอละซับซ้อนก็ต้องไปเจอดานในด่านชั้นในในายด่านช้างนอกก็เล่าให้นายด่านชั้นในฟังนายด่านข้างในนี่ก็เกลือนโลภด้กันรู้สึกว่าอยากได้รางวาัล จึงเอ่ยกับชายหนุ่มว่าข้าจะพาจะเจ้าไปหาพระราชาได้เจ้าต้องแบ่งรางวัลให้ให้ข้าด้วยไม่งั้นข้าไม่พาไปชายหนุ่มไรู้ทำไงก็ตอบตกลงไปแล้วมีการตอกย้ำนะเราสามพูดนะชายหนุ่มรู้สึกว่ารังเกียจนายด่านสองคนที่มากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นพวกขอรับชันเนี่ยจะต้องให้บทเรียนสะบัง หลังจากพบพระราชาเนี่ยพระราชาก็เอ่ยถาม่เจ้ามาหาข้ามีเรื่องอะไรเล้กระหม่อมมีของมาถวายพระ อ, องค์แล้วก็นำํำของที่ตัวมาถวายน้าออกจากค อ, อนอแรดใหญ่สวยงามพระราชาก็ถามว่าทำไมถึงมาถวายพระ อ, องค์ชายหนู่มก็บอกพ่อก่อนจะตายได้สั่งเอาไว้ ว่าให้นําดอแรกเนี่ยมาให้พระราชาขอบใจมากถ้ากัน้นเจ้าอยากได้อะไรเอ่ยมาเลยเดี๋ยวข้าจะให้จะจัดให้ตามที่เจ้าปรารถนาใช้หนุ่มก็ได้ทีแล้วได้แก้แค้นทหารยามสอง ส, สองคนเนี้ยจึงเอ่ยขอให้พระราชาเนี่ยบรรจุตนเป็นค่ารับใช้แล้วก็ขอให้พระราชาเนี่ยลงโทษเขียนตัวเองร้อยที พาช้าก็งงเอ้ยทำไมเองอยู่อยู่หาเรื่องเจ็บตัวเป็นพวกไม่ปกติแน่เลยอยู่อยู่มาขอรางวัลให้เคี่ยร้อยทีใช้หนุ่มก็เอ่ยขึ้นว่าข้าพระองค์ไม่ได้จะโดนโดนโดนเคี่ยรหรอกจะแบ่งรางวัลนี้ไปให้ทหารยามสองคนด่านนอกด้านในเนี่ยปกครงกับข้าพเจ้าไว้ว่าจะรับจะแบ่งรางวัลครึ่งหนึ่งั้น การตีร้อยทีแล้วตีทหารทั้งสองคนนี้แทนคาโบงจึงไม่ได้โดนตีด้วยพระราชาชอบใจในไหวพริบของชายหนุ่มคนนี้จึงตั้งให้เป็นมหาดเล็กรับราชการต่อไปส่วนฟาร์มซวยก็ตกไปอยู่ที่ทหารสองคนเนี่ยโดนตีคนละห้าสิบทีดัดนิสัยโกงกินคอรับชั่นเรื่องนี้ก็มีแง่คิดดีเหมือนกันนะบางที คนเราถ้าเกิดไม่ซื่อ ส, สัตจจุจริตเนี่ยแล้วก็มีปัญหาตอนหลังแหละเห็นแก่ความสะดสบายในวันนี้จะระบากในวันหน้าคือรวยทางรัดโกงกินครอร์รัปชันเนี่ยไม่มักจะไม่บั้นคงถาวรพี่จะคนที่ซื่อสัต์สุจรลิศจะมีคนเชื่อถือกว่าแล้วก็บั้นคงไปไหนก็มีคนอาแขนรับให้ทํางานถ้าคนโกงกินครอร์รัปชันไปไหนก็ลำบากคนก็ไม่เชื่อถือละ ชีวิตก็ตกตกต่ําคือมีความสุขช่วงระยะสั้นนั้นเองอาจจะรวยชั่วคราวแต่ไม่มั่นคงถาวรเอาเรื่องต่อไปวันนี้เรามาเล่าเรื่องให้โยมฟังสนุกสนุกกั น, นี่เพราะว่าชื่อหัวเรื่องมันคือเอาที่สบายใจจะไม่มีเรื่องเครียดเลยเรื่องต่อมาก็เรื่องเทวดากันหนอยก็แล้วกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา ถ้าอยู่ที่คนเล่าแหละคนเล่าเล่าไม่เป็นก็เป็นเรื่องธรรมดาไปถ้าคนเล่าเล่าเป็นก็เป็นเรื่องธรรมะภพโยมก็เคยฟังกันหลายครั้งแล้วเทวดาเนี่ยคิดถึงเพื่อนสบายที่อยู่ในโลกด้วยกันเนี่ยก็เลยตรวจดูร ด, ด, ด, ดอยด้วยตาทิพย์เอาเพื่อนไปเกิดที่ไหนจึงเห็นเพื่อนอยู่ในในหลุมซ่วมของวัดซ่วมโบราณไปเกิดเป็นนอนเพราะเพื่อนทำตัวไม่ค่อยดี ด้วยความด้วยความสงสารเพื่อนเทวดาก็เลยมาปรากฏที่ส้วมโบราณแล้วก็เจอพวกหนอนเยอะแยะหมดเลยที่อยู่ในส้วมกําลังกินขี้แบบสนุกสนานเทวดาก็ใช้ฤทธิ์นั่นแหละให้เพื่อ น, นจําได้แล้วก็ทักทายกันหนอนเห็นเทวดาก็จําได้ล้แล้วก็เอ่ยทักเป็นไงเพื่อน จะไปไหนเนี่ยเทยวดาบอกข้าก็ไปหาเองนั่นแหละเห็นเองลำบากก็จะชวนเองไปอยู่สวรรค์ด้วยกันหนอนก็คิดอยู่พักหนึ่งก็ตอบว่าสวรรค์ของเองดียังไงถึงอยาปจะชวนข้าไปอยู่ด้วยดีสิสวรรค์ของข้าเนี่ยมีนางฟ้ามากมายอาหารก็อาหารทิพย์ มีความสุขสบายไปไหนก็เห็นแต่สิ่งสวยสวยงามแค่คานึกเนี่ยอาหารก็มาปรากฏ ต, ต่อหน้าเขาแล้วได้ทานอยากทานอะไรก็ได้หนอนได้ฟังดังนั้นเนี่ยทำหน้าตาเยเกแล้วก็ตอบว่าโทรเพื่อนข้าคิดว่าสวัสคีลูกเองจะดีที่ไหนยังต้องคิดอยู่มามาเองมาอยู่กับข้าดีกว่า ข้าจะหามีที่ว่างให้แกได้เห็นไหมเนี่ยข้ามีหนอนเ้าสาวเยอะแยะหมดเลยอาหารกระเบดองนึกก็ได้กินทันทีเลยมีพวกหลวงพี่หลวงพ่อมาจัดเวรให้อาหารทั้งวันกินอิ่มหนำสำราญเห็นไหมแต่ละตัวมีความสุขเลยโอ้เทวดาได้ใส่หัวเลยบอกเอาที่เอาที่เอ็งสบายใจก็แล้วกันทานข้าวทั้งวันค้ากลับแล้ว หนอนก็เออเาที่สบายใจต่างคนต่างกลับเรื่องนี้มีธรรมะแฝงอยู่นะคือหนอนเนี่ยที่นอนหนอนในในสั้นโบราณเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบเป็นนามธรรมเนี่ยก็คือตัวหลงส่วนเทวดาคือตัวรู้เทวดาคือมีหิโอตรปะตัวรู้กับตัวหลงเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนอนเนี่ยเปรียบเหมือนขนโคเลยอัวตัวหนึงมีเขาสองเขาเนี่ยมันจึงแบบ ขนเนี่ยมีมากบายเลยขนเปรียบเหมือนตัวนอนเขาเปรียกเหมือนเทวดาเพราะนั้นอารมณ์อกุศลของเราจะเยอะมากเลยสิ่งที่เราทําผิดอะความคิดที่อกุศลความคิดติดอารมณ์นู่นติดอารมณ์นี่อยู่ในโลกความคิดปรุงแต่งเนี่ยหลวงพ่อเขียนบอกว่าไม่มีอะไรเนี่ยสกรปรกเท่าความคิดอีกแล้วความคิดที่หลงนะถ้าคนอยู่กับโลกความคิดเนี่ยจะเป็นทาตมไปเลยะมันก็ลาออกเราออไปนู่นลากเราไปนี่ คิดอยากได้นู่อยากได้นี่แล้วคิดบางทีคิดเล่ห์ลัอ่ะมีแต่ขยะก็แหละไม่มีเรื่องดีหรอกแต่ถ้าเกิดมีตัวรู้เห็นขึ้นมาเนี่ยมันรู้จากอารมณ์นั้นเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราติดจะไม่ดีนั่นเลยเราไปหลงหลงมาได้ยังไงไม่่าจะเป็นอบายามุขต่างๆบางคนเล่นไพ่ได้ทั้งวันเล่นสนุกได้ทั้งวันเล่นบมากรุกได้ทั้งวันกินเหล้าได้ทั้งวัน หรืออยู่ในบาที่อโคจรเนี่ยอาบอบนวดหรือเที่ยงต่างบ่อนการพนันเนี่ยหลงไหลแล้วก็ติดไม่เห็นโทษแล้วก็เบียดเบียนกันแล้วเป็นเห็นนำมาซึ่ความทุกข์ถ้าคนเห็นบุ๊มเนี่ยมันก็จะออกจากภพภูมินั้นแหละคนไปเห็นก็ลเล่นต่อไปจนตายอะติดงอมแงมเลยออกไม่ได้ก็เหมือนหนอนในซุ้มนั่นแหละกินขี้เข้าไป ชอบอย่างเทวดาเห็นหน่อยไม่เห็นไนงะก็ได้ใครอยากขยั่งความคิดความคิดแล้วผ่านมันไม่เท่าไหร่หรอกความคิดติดอารมณ์เลยน่ากลัวคือคิดแล้วติดเทือติดจมอยู่ในอารมณ์นะั่นแหะออกไม่ได้บานคนไม่สามารถคิดดีได้นะเพราะในชีวิตไม่เคยคิดดีเลยเพราะว่าความคิดมันอยู่ในร่องขมันนะ่ะอยู่ในลึกๆมากมนเราคิดแต่เรื่องไม่ดีมันก็ส่งต่อไปเรื่องไม่ดีมันทํางานไปทอดๆไปถ้าคิดดีก็แล้วขุดร่องใหม่อะ่ะต้องสร้างทิศสัยใหม่ ถ้าคนคิดดีสร้างร่องใหม่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนใหม่ทิ้งนิสัยเดิมเพื่อนฝูงที่เคยชั่วๆเคยคบกันมันก็คบกันไม่ได้แล้วสมมุติเราเลิกเหล้าคนกีนเหล้ามันก็ไม่คบเราเลิกเล่นการบ้านนานไอ้คนที่เคยเล่นกับเรามันก็เลิกคบเราเหมือนกันเราก็คบเราก็ไม่คบมันมันก็ออกจากภพภูมินั้นแหละเพราะมันท่าไป่ตรงกันแล้วคบกันไม่ได้แล้วอยู่คนละภพจิตมันอยู่คนละภพภูมิคุยกันก็ไม่เก็ตไม่ลงตัว อันนี้สังเกตได้ชีวิตคนเราจะมีการเปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนก็ต้องจมอยู่ในล่องเดิมติดออกไม่ได้บางคนอยู่ลึกโอ้โหลึกแบบจนที่ว่าต่อให้คนอาจารย์พูดธมาเกตก้นไหนก็ดึงออกไม่ได้หรอกหลวงพ่อไคลศาลเนี่ยพูดตายคาไม่ก็สอนสอนโยมไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในล่องลึกฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสิ่งที่พูดแต่ถ้าหลุดมาแล้วเนี่ยมันฟังเข้าใจเข้าใจสีห่หลวงพ่อเทียนสอนสีห่หลวงพ่อเขียนสอน สิ่งที่ครูบาจารย์ศรีกัลยาณมิชีนะให้เห็นนะเห็นผู้เป็นให้หลุดออกมาเป็นแล้วจะต้องทุกข์นะติดอารมณ์อะไรเงี้ยมีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องปิดท้ายแล้วเรื่องนี้อันมาเคยเล่าบ่อยแต่นํามาเล่าใหม่ก็ได้เพราเล่าใหม่ทีไรก็เป็นของใหม่คือเรื่องหลวงพ่อดีเนาะนีะ่แหละเรื่องเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาพวกโยมเคยฟังแล้วก็ฟังอีกก็แล้วกันคนไม่เคยฟังก็ ถือว่าได้ฟังหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็ชอบอุทานว่าดีเนาะจนติดปากเกิดอะไรขึ้นก็ดีเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีกิจนิมลลูกศิษย์เนี่ยมันิีมนไปไปฉันเพลและแสงทำบังเอิญที่บ้านงานอยู่ไกลหลวงพ่อก็เตรียมจะเดินทางแต่เช้าเลย แต่รอแล้วรอเล่ารถก็ไม่มาทีรถเป็นเสียหลวงพ่อก็ว่าอุทายว่าก็ดีเนาะฉันอาหารของเราเองก็ดีเนาะก็นําอาหารที่บิระบาดออกมาจะฉันตักเข้าปากได้ไม่กี่คําลูกศิษย์ที่บารับเนี่ยซ่อมรถเสร็จไงรีบชวนหลวงพ่อขึ้นรถเลยหลวงพ่อฉันไม่เสร็จเลยหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะไปฉันฉันบ้านงานก็ดีเนาะก็ขึ้นรถไป วิ่งไปได้ละพักหนึ่งไอ้รถเจ้ากรรมเนี่ยก็ได้ามาเสียอีกหลวงพ่อก็ก็เอ่ยคึ้ว่าก็ดีเนาะได้ชมอยู่ข้างทางคนขับเนี่ยมันลงไปซ่อมเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไปติดจึงมาเอ่ยป่าชุนหลวงพ่อไปเข็นรถเนี่ยหลวงพ่อแก่แล้วหลวงพ่อก็ไปเข็นด้วยแหละก็พูดคึ้ว่าดีเนาะได้ออกร่างกายเนาะเข็นจนรถติดแล้วก็วิ่งไปที่บ้านงานเนี่ยขันไปถึง ก็เลยเพลนละเจ้าภาพก็เชิญหลวงพ่อแสงธรรมหลวงพ่อเลยอดฉันเพลนอดฉันเช้าด้วยเลยวันนั้นฉั้นกําลังแสงธรรมอยู่เนี่ยลูกศิษย์ก็นํากาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนอ่ะดันไปหยิบหยิบเกลือใส่แทนน้ำตาลด้วยความรีบหลวงพ่อฉันแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็วางแก้วไว้ข้างๆแหละด้วยความที่หลวงพ่อไปเกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ยของทานเหลือลูกศิษย์ก็อยากทานบ้าง เพื่อเป็นมงคลนะที่มาขอหลวงพ่อก็ให้ลูกศิษย์ทายกาแฟไปขึ้นแก้วก็พ่นพวดไปเลยเข็มไม่ปี๋หลวงพ่อแช่ไม่ได้ยงไงเนี่ยหลวงพ่อก็ดีเนาะฉันกาแ ฟ, แฟวหวานๆมามากแล้วฉันกาแฟเค็มๆบ้างก็ดีเนาะเจออะไรท่านทุกเหตุการณ์ท่านดีหมดท่านมองโลกในแงด่ดีมีครั้งหนึ่งโจรมาป้นท่านโจรมันก็ข่มขู่เลยนี่มีการป้นนะเหมือนกันตายนะ ถ้าขัดคืนหลวงพ่อไม่ตกใจกับโจเลยยิ้มกับโจโด้วยบอกป้นก็ดีเนาะโจเหมือนขมขูต่อไม่ใช่ป้นน่ะต้องฆ่าโดยทับปิดปากฆ่าก็ดีเนาะโจเป็นสงสัยไม่เคยเจอคนแบบนี้ฆ่าจะดีได้ไงฆ่าเนี่ยอายุแก่มากแล้วร่างกายเสื่อมโทรมทุกทุกวันยิงฆ่าฆ่าก็ดีฆ่าจะเร่งดูแลทัองขาที่เสื่อมโทรมนี้โจใจอ่อนก็เลยไม่ฆ่า ก็บอกเอ่ยที่ว่างั้นฆ่าไม่ฆ่าหลวงพ่อก็ได้ไม่ฆ่าก็ดีเนาะเออหลวงพ่อจะเอางไงฆ่าก็ดีไม่ฆ่าก็ดีท้าองฆ่าฆ่าเนี่ยมันเป็นบาปนะแถมเองต้องโดนตำรวจตามจับเผะพฤติโดนตำรวจวิสามันตายไปแล้วตกนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเองไม่ฆ่าฆ่าจึงดีเนาะโจรได้สํานึกเลยงั้นฉันไม่ป้นไม่ฆ่าหลวงพ่อก็ได้ไม่ป้นก็ดีเนาะ เรื่องนี้ได้จบเลยเวลาก็าหมดด้วยงั้นจะอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็เอาที่มันสบายใจเหตุการณ์ต่างๆก็จะขี้ขายได้แต่อย่าเาที่กูสบายใจแนละ้วถ้ากูสบายใจได้ยุ่งเลยเพราะว่าเอาที่กูสบายใจจะไม่ให้แคร์คนอื่นและสร้างมันหายคนอื่นอย่างเราเห็นตามคาราโอเกะเนี่ยคนเสียงไม่ดีเนี่ยมันถลึงร้องเพลงกวนคนอื่นคนอื่นก็ต้องทนฟังจนทะเลาะบอกแวหวงก็มีหรือหลายเรื่อง ก่อพาเราขายคนอื่นเอาแบบที่ตัวเองสบายใจอะไรเงี้ยเอาที่สบายที่สบายใจเนี่ยมันแก้ปัญหาได้เราไม่กับคนรอบข้างเราก็หยวนหยวนผ่อนผันไม่เป็นไรเอาที่สบายใจนะแต่อากูเอาที่กูสบายใจแนตะ่ยุ่งเลยมันจะมีปัญหาขึ้นบานทีฝากแค่ไว้แค่นี้เวลาหมดพอดีเลยเอวัง